ประชุมสงฆ์ญญบญรยศิสิ์คาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุณีเข้าไปสู่ตระกูลในเวลาวิการปูหรือใช้ให้ปูที่นอนโดยไม่บอกเจ้าของบ้านแล้วนั่งบ้าง น, นอนบ้างจริงหรือภิกษุทั้งหลายตุนรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้า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 ให้พิจูนีทั้งหลายยกสิบข่าบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้